การแกล้งหรือว่าถือเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูเรื่องเมตตากรุณานี่เป็นหัวใจนะของชาวพุทธเนะมตตาแม้กระทั่งศัตรูนะเพราะว่าเขาก็มีความทุกข์แนละเพราะว่าเขาก็เคยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรามาก่อนและทลายเามตตาแล้วก็ดีกับเราเองด้วยนะ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 เมื่อเราโดนรถชนนะเราก็ต้องมีหน้าที่รักษาตัวเราให้ดีก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลและเมื่อมีใครทำร้ายจิตใจของเราจนจิตใจเราเป็นแผลหน้าที่ของเราคือว่าต้องดูแลรักษาใจของเราให้ดีให้มันหายจากแผลนั้นไม่ใช่มามีตั้งเงื่อนไขว่าเขาต้องมาขอโทษฉันก่อนนะฉันจึงจะให้อภัยคนที่คิดแบบนี้เขากำลังทำร้ายตัวเอง ไม่รักตัวเองไม่ยอมเยียวยารักษาแผลในใจของตัวเองนะอันนี้บทสวดที่เลวอิมีนากรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการระลึกนึกถึงสรรพสัตว์นะคำาสัตว์นี่ก็รวมหมดนะ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 บทกรวดน้ําตอนเย็นเนี่ยมันมีสองตอนนะที่เรากรวดที่เราสวด น, นี่เป็นตอนแรกตอนที่สองเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะว่าปณิธานของเราชาวพุทธเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นตอนที่สองจะบอกว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศปวงสัตว์เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจ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 คนชาวพุทเราตั้งแต่เกิดมาเลยนะตั้งแต่แบเบอะหรือว่าตั้งแต่เป็นทารกก็ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักให้นะเช่นย่าหรือยายก็าพาหลานมาใส่บาตรตามหมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านที่นี่เนี่ยนะเวลาท้าวบินทบาทตามพระไปตามพระบินทบาทเนี่ยเราจะเห็นนะเห็น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 เขาเคยมีการทดลองนะเอานักศึกษานี่แหละแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วให้เงินไปสมมุติให้เงินพันหนึ่งนะกลุ่มแรกบอกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อเอาไปกินอะไรก็ได้ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนหรือไปทําประโยชน์ยังไงก็ได้แล้วแต่จะแล้วแต่แล้วแต่จะนึกนะแล้วเขาก็ให้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 หรือว่าไปทำประโยชน์นเช่นไปซื้อต้นไม้มาปลูกกลุ่มที่2นีจะรู้สึกว่าเขามีความสุขเขารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเขารู้สึกว่ า, าความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบตัวมันดีอันนี้ก็น่าสนใจนะกลุ่มแรกเนี่ยได้เงินมาไปดูหนังไปกินไอติมไปเที่ยวไปกินอาหา ร, อ, ารอร่อย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 แม้กระทั่งสละความคิดนะสละอารมณ์เนี่ยเราก็ยังยากเลยนะเราเจริญสติมาห้าวัน6กวันนี่คงจะเห็นแล้วนะว่าความคิดนี่โอ้มันพาเราเตลิดเปิดเปิงไกลเหลือเกินนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักสละความคิดปล่อยวางความคิดไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมันลากลู่ถูกลางเราไปนะเราจะพบกับความสงบเย็นในจิตใจนะ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 ศัตรูหรือกลายเป็นปรัปักกันบางทีจนแก่เลยนะถึงค่อยมาได้ได้สำนึกหรือว่าค่อยมาเห็นว่าที่ผ่านมันนี่เราโง่มากเลยนะที่ถือทิฐิมานะอันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นแก่นหน้าหวงแหนหน้าตาจกนกระทั่งนะถูกกิเลสครอบงำแต่ถ้าเรามีสตินะ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 ไม่ทำให้เกิดความสุขและต่อไปก็จะนำไปสู่การสละสิ่งอื่นสละกิเลส ต, ตัวอื่นที่มันละเอียดที่มัน อ, อยู่ลึกและนั่นแหละก็จะทำให้เข้าใกล้พั น, นิพพานมากขึ้นเรื่อยๆจนรทั้งเมื่อเราสละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูได้เนี่ยก็จะถึงนิพพาน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 อาแล้วก็พอสมควรเวลาน ะ, นะเตรียมกลับภาพพร้อมกัน